ศีล ส, สำหรับประชาชนข้อขอศีลเพื่อเสริมความดีงามของชีวิตและสังคมหลกักคาสอนในสิงคาละกะสูทั้งหมดพระอัฏกถาจารย์กล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ให้เป็นกีหิวินัยคือวินัยของคารืหัสหรือศีลสำหรับชาวบ้านหรือศีลสำหรับประชาชน ดังสาระที่สรุปได้ดังนี้หมวดหนึ่งปลอดความชั่ว14ประการคือละก ร, รมกิเลสสีไม่กระทำบาปกรรมโดยสสถานและไม่เสพอบายมุก6ประการข้อกอละกรรมกิเลสหรือข้อเสื่อมเสียของความประพฤติ4ี่อย่างได้แก่ 1. ปานาติบาต 2. ออธินาทาน 3. กาเมสุมิชฉาจาร์ 4. มุสาวาตข้อข อ, ขอไม่กระทำบาปกรรมโดยสีสถานคือไม่ทำกรรมชั่วด้วยลุกแก่ 1. ฉันทากติลำเอียงพระชอบ 2. โทสาติลำเอียงพระชัง 3. โมหากติลำเอียงพระเขา่า 4. พยาติลำเอียงพระกลัว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 และผูกมิรโดยแบ่งเป็น4ส่วนคือขอ้ขอกอกินใช้เลี้ยงดูคนไม่ทำประโยชน์1ส่วนข้อข อ, ขอทำทุนประกอบการงาน2 ส, ส่วนขอ้ขอคอเก็บไว้ใช้คราวจำเป็น1ส่วนขิหิวินัยหมวด3ปกแผ่ทิศทั้ง6ทิศ6หมายถึงปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่สัมพันธ์กับตนให้ถูกต้องตามฐานะทั้ง6 คือทิศ ท, ที่หนึ่งก็กบุตริดาบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นเหมือนทิศเบื้องหน้าโดย 1. ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ 2. ช่วยทำกิจตัวระการงานของท่าน 3. ดํดำรงวงสกุล 4. ประพฤตินตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาตหา้เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านก็ข อ, ขอ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 สิทธิ์บำรุงครูอาจารย์ผู้เป็นเหมือนทิศเบื้องขวาโดย 1. ลุกรับแสดงความเคารพ 2. เข้าไปหาเช่นช่วยรับใช้ปรึกษาซักถามรับคำแนะนำา 3. ตั้งใจฟังและรู้จักฟัง 4. ีพรนิบัตรช่วยบริการ 5. เรียนศิล ป, ปะวิทยาโดยเคารพเอาจริงเอาจัง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 หมายถึงสอนให้เอาไปใช้งานเลี้ยงชีพได้จริงทิศที่สามก็ก่อสามีบำรุงภรรยาผู้เป็นเหมือนทิศเบื้องหลังโดยหนึ่งยกย่องให้เกียรติสมฐานะภรรยาสองไม่ดูหมิน่นสามไม่นอกใจสี่มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านห้า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 หาชี้แจงอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 6. บอกทางสวรค์ให้หมายถึงสอนวิธีดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขและวินัยของคฤหัสถ์ชุดสุดท้ายในสิงคารกาสูตรคือสังหะวัตถุสีหมายถึงบำเพ็ญหลักการสงเคราะห์เพื่อยึดเหนี่ยวใจคนและประสานสังคม4ประการคือ1 ทานเพื่อแผ่แบ่งปันสองปิยวาจาพูดอย่างรักกันสามอัตจริยาทำประโยชน์แก่เขาสี่สมานัตตาเอาตัวเข้าสมาน